8. อธิกรณะสมถะท่านทั้งหลายทมคืออธิกรณะสมถะเจเหล่านี้มาถึงวรระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลาดับวงเล็บทาเป็นเครื่องระ ง, งับอธิกร7อย่างคือ655เพื่อระ ง, งับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้ววงเล็บหนึ่งพึงให้สั ม, มุขาวิในวงเล็บสองพึงให้สติวิในวงเล็บสพึงให้อมูระหาวิใน วงเล็บสี่พึ่งให้ปตินยาตะกรณะวงเล็บ5้าพึ่งให้เยพุยศิกาวงเล็บหพึ่งให้ตัสสะปาปิยสศิกาวงเล็บเจพึ่งให้ตินนวัตธาระกะ